การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนคำว่าการจเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้หมายถึงวิธีฝึกอบรมจเจริญสมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาตตามที่ท่านนำลงเขียนอธิบายไว้ในคมภีชั้นอัตถกถาเฉพาะอย่างยิ่งคำภีวิสุทธิมรรค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 ตลอดถึงฌานสมาบัติและโลกิยะอภินยาทั้งหลายสำหรับสมาธิที่เป็นโลกุตระได้แก่สมาธิที่ประกอบกับอริยมรรคหรือมรรคาสมาธิวิธีเจริญโลกุตระสมาธินั้นรวมอยู่ด้วยในตัวกับการเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาก็เป็นอันเจริญมรรคฆาสมาธินั้นไปด้วยจึงไม่ต้องพูดแยกไว้ต่างหาก วิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนนั้นสรุปความตามที่ท่านแสดงไว้เป็นลำดับขั้นตอนใหญ่ได้คือเบื้องแรกเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ ด, ดีหรือชำระศีลให้หมดจดแล้ว 1. ตัดปริโพธ์คือข้อติดข้องหรือเหตุกังวลสิประการ 2. เข้าหากัลยานมิตร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 ประการต่อมาตัดปริพภ o t คือข้อกังวลเล็กๆน้อยๆเสียให้หมด 5. าสมาธิภาวนาปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิรายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวข้อเหล่านี้ท่านกล่าวไว้สำหรับรพระภิกษุผู้จะทำการฝึกอย่างจริงจังอาจเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ถ้าเคารพหัดจะปฏิบัติหรือผู้ใดจะฝึกระยะสั้น ๆ, นๆก็พึงจับเอาสาระมาใช้เท่าที่เหมาะข้อที่หนึ่งตัดปริโพสิบปริโพธแปลว่าเรื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวซึ่งเป็นเหตุให้ใจพวักพวลนอวงกังวลไม่โปรงแปลกันง่ายๆว่า ความกังวลเมื่อมีปริโโธด์ก็จะทำให้ปฏิบัติก้าวหน้าไปได้ยากไม่อำนวยโอกาสแก่การเกิดสมาธิจึงต้องกำจัดเสียปริพโธ์นั้นท่านแสดงไว้สิบอย่างคือหนึ่งอาวาสคือที่อยู่หรือวัดตนมีของใช้เก็บสะสมไว้มากหรือมีงานอะไรค้างอยู่เป็นกังวล แต่ถ้าใจไม่ผูกพันก็ไม่เป็นไรสองตระกูลคือตระกูลญาติหรือตระกูลอุปถากซึ่งสนิทสนมห่างไปใจคอยห่วงควรทำใจให้ได้สาลาบเช่นมีคนเลื่อมใสามากมาหามาถวายของ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 7. ญาตทั้งญาติทั้งบ้านและญาติทั้งวัดคืออุปชาอาจารย์สิทธิ์เพื่อนสิทธิ์เจ็บป่วยต้องขวนขวายรักษาให้หายจนหมดห่วง 8. อาพาธคือตอนเองป่วยไขย้รีบรักษาให้หายถ้าดูท่าจะไม่ยอมหายก็ให้ทำใจสู้ว่า ฉันจะไม่ยอมเป็นทาสของแกจะปฏิบัติละเก้าคันธะคือปริยัตหรือสิ่งที่เล่าเรียนเป็นปริโภ o t h สำหรับผู้วุนกับการรักษาความรู้เช่นสาธยายเป็นต้นถ้าไม่วุ่นก็ไม่เป็นไรส0อิทิ คือฤทิ์ของผู้ทุชนเป็นภาระในการรักษาแต่เป็นปริโภโธ์สำหรับผู้บาเพ็ญวิปัสนาเท่านั้นไม่เป็นปริโภโธ์แก่การเจริญสมาธิโดยเฉพาะเพราะผู้ที่เจริญสมาธิยังไม่มีฤทธิ์ที่จะห่วง